ตอนที่37มสาลเจ้าระจําตระกูลการประชุมขุนนางครั้งใหญ่ครั้งแรกในราชศมุเจื่งถงสิ้นสุดลงด้วยการที่จงชวนและชางหลีทุนททานด้วยชีวิตเพื่อขอให้จกักรพรรดิพระองค์ใหม่เปิดงานประลองบุนบูเป็นกรณีพิเศษเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถจากทั่วใต้ล่ามาประดับบารมีเบื้องพระพักทะว่ากลับถูกเสื่องเลี่ยจาะ อ, อวิชื้อโศว์หัวเทโฮและชือเสื่องตัวโยกขังโซ่เทหงไทยเฮาทรงคัดค้านและสั่งปิดการประชุมไปในที่สุด เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองอวีตูอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโดยเฉพาะสิ่งที่จงชวนและชางหลีกระทําลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนทว่าชูหลิงที่ประทับอยู่ในตำแหนักต้าซิงกลับไม่รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวภายนอกเมืองอวีตูเลยแม้แต่น้อยหลายวันผ่านไปวังวิยังคงเงียบเหงาเช่นเดิมชูหลิงเองก็ยังคงใช้ชีวิตไปตามปกติอืมจะว่าไปก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง หลังจากหิมะหยุดตกมาหลายวันวันนี้หิมะก็เริ่มโปรยปลายลงมาอีกครั้งแม้จะไม่หนาตามากนักแต่อุณหภูมิกลับลดควบลงอย่างรวดเร็วอากาศในปีนี้ดูจะผิดปกติไปเสียทุกที่หิมะตกบ่อยครั้งกว่าปีก่อนๆนในช่วงเวลาเดียวกันนี้แม้อากาศจะหนาวเย็นแต่ก็ไม่รุนแรงเท่าปีนี้ซูบเสียงฝีเท้าเหยียบย่ำลงบนพื้นหิมะดังขึ้นขบวนเสด็จเคลื่อนออกจากตำหนักโซ่หงชูหลิงประทับอยู่บนเกี้ยวหลวงใบหน้าเรียบเฉยไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆ วันนี้ชูหลิงตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปถวายพระพรยามเช้าที่ตำหนักช้างเล่อและตำหนักเฟิ่องลวนซึ่งต่างจากวันก่อนๆและตามธรรมเนียมแล้วหลังจากนั้นพระองค์ต้องเสด็จกลับตำหนักตา้าซิงทว่าก่อนจะเสด็จออกจากตำหนักเฟิ่องลวนหวงไท่โฮสวีเจิญกลับทรงส่งนางกำนันอาวุโสมาแจ้งพระเสาวนีอย่างมีในสำคัญซึ่งในตอนนั้นฉูหลิงยังไม่เข้าใจความหมายเท่าใดนักแต่หลี่จงที่ตามเสด็จอยู่กลับเข้าใจในทันที นั่นคือห่วงไทหโธ่ทรงต้องการให้จักรพรรดิพระองค์ใหม่ไปกราบไหว้ลงศพหลวงของจักรพรรดิเสวียนจงฉุนเมื่อได้รับคำชี้แนะจากหลีจงชูหลิงจึงเข้าใจแจ้งทว่าในใจเขากลับรู้สึกอยากหัวเราะหากต้องการให้เขาไปกราบไหว้ลงศพหลวงของจักรพรรดิเสวียนจงฉุนก็ควรจะตรัดออกมาตรงตรงเหตุใดต้องพูดจาอ้อมค้อมให้เสียเวลาชูหลิงไม่ได้คิดอะไรมากจึงสั่งให้เคลื่อนขบวนไปยังตําหนักโซ่ห่วงอย่างไรเสียเขาก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วการไปที่อื่นบ้างก็ถือเป็นการฆ่าเวลาได้ดี นับตั้งแต่ ก, การประชุมขุนนางที่ประตูเทจีสิ้นสุดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชูหลิงได้แวะไปที่ตำหนักกระลูอีกสองครั้งเพื่ออ่านตำราและบันทึกต่างๆที่ควรศึกษาเสริมข้อมูลที่เขายังไม่รู้หรือรู้เพียงน้อยนิดนอกจากนี้ยังได้นําแผนที่ติดมือออกมาอีกหลายฉบับหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ไปที่ตำหนักกระลูอีกเลยพรสวรรค์ด้านความจาอันเป็นเลิศช่วยชูหลิงได้มากทีเดียว อย่างน้อยสิ่งที่เขาเคยผ่านตาเขาก็สามารถจดจําได้ทั้งหมดหลังจากทําความเข้าใจแล้วจึงไม่จําเป็นต้องไปที่ตําหนักกระลุอยู่บ่อยครั้งจนอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาโดยไม่จําเป็นสําหรับผู้ที่คอยรับใช้เบื้องพระพักและเหล่าทหารองครักชูหลิงพอจะสืบทราบที่มาที่ไปได้เกือบหมดแล้วนอกจากว่านชิวเ อ, อ๋อที่ไม่ทราบฐานะแน่ชัดและหลี่จงที่ระมัดระวังตัวอย่างยิ่งยวดและคนอื่นๆหากไม่เป็นคนของ3ามตำหนักหลังก็เป็นพวกที่ไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวจนถึงแก่ความตาย ชูหลิงปรารถนาจะทำลายสถานการณ์ที่ติดตันนี้อย่างยิ่งแต่เขาจำเป็นต้องอดทนรอผู้ที่จะทำการใหญ่ได้สำเร็จล้วนต้องอดทนในสิ่งที่คนทั่วไปทนไม่ได้ในชาติก่อนยามว่างชูหลิงเคยอ่านนิยายเพื่อความบันเทิงอยู่บ้างในนิยายเหล่านั้นตัวเอกมักจะเริ่มด้วยการฆ่าฟันหรือไม่ก็แค่แผ่บารมีออกมาผู้คนจากทั่วสารทิศก็ยอมสวามิภักดิ์หรือไม่ก็ใช้ผลประโยชน์ล่อลวงแต่นั่นมันก็แค่เรื่องเพ้อฝันความจริงนั้นโหดร้ายกว่ามาก เหมือนอย่างที่ชูหลิงเป็นอยู่ตอนนี้เขาถูกดวงตานับไม่ถ้วนจับจ้องถูกจํากัดบริเวณให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือพูดอะไรเรื่องจะถูกส่งออกไปทันทีหากคิดจะดึงตัวใครมาเป็นพวกหรือลองเชิญใครเข้าเกรงว่าชูหลิงจะถูกควบคุมตัวไว้ก่อนที่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเสียอีกไม่มีคนสนิทที่ไว้ใจได้ไม่ได้กุมอํานาจทหารไม่ได้ควบคุมอํานาจการเงินไม่ได้ถืออํานาจการแต่งตั้งบุคคลแล้วเจ้าจะทําอะไรได้ใครเล้วจะเห็นเจ้าอยู่ในสายตาสถานการณ์ของชูหลิงในตอนนี้ช่างน่าอึดอัดใจยิ่งนัก เขาเคยคิดแผนการทําลายสถานการณ์นี้ไว้นับไม่ถ้วนแต่กลับไม่มีโอกาสได้ติดต่อกับโลกภายนอกหรือได้พบกับผู้คนต่อให้เขาคิดไว้มากเพียงใดก็ไม่สามารถทําให้เป็นจริงได้นี่แหละคือสิ่งที่น่าสิ้นหวังที่สุดทั้งที่มีความคิดอยู่ในหัวทั้งที่รู้ว่าควรทําอย่างไรแต่ความจริงอันโหดร้ายกลับปิดตายหนทางของเจ้าไว้หมดสิ้นความสิ้นหวังเช่นนี้หากไม่ได้ประสบด้วยตัวเองย่อมไม่มีวันเข้าใจได้เลยลมหนาวพัดมาหอบเอาเกล็ดหีมาปลิวว่อน ชูหลิงที่ประทับอยู่บนเกี้ยวหลวงสัมผัสได้ถึงความหนาวเหน็บที่เศษแทงเขาใช้มือบังลมไว้และบังเอิญเหลือไปเห็นอาคารหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางพายุหิมะที่อยู่ไกลออกไปหยุดก่อนเสียงของชูหลิงดังขึ้นทำให้เหล่าขันทีน้อยที่หามเกี้ยวหลวงพากันหยุดชะงักขบวนเสด็จทั้งหมดจึงหยุดนิ่งตามไปด้วยหลี่จงและว่านชิวเอ๋อสบตากันทั้งคู่ต่างไม่รู้ว่าเหตุใดอรสวรรค์จึงสั่งหยุดเกี้ยวอย่างกระทำหันเช่นนี้ที่นั่นคือที่ใด ชูหลิงลงจากเกี้ยวหลวงกระชับเสื้อคลุมให้แน่นขึ้นริตามองไปยังอาคารที่อยู่ไกลออกไปก่อนหน้านี้เขาเคยมาที่สวนหลวงแต่กลับไม่เคยสังเกตเห็นสถานที่แห่งนี้เลยทูลฟบาทนั่นคือศาลเจ้าประจำตระกูลพยาคะ่ะหลี่จงรีบก้มหน้าเดินเข้ามาใกล้สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นตามพระราชองคการของจักรพรรดิเทจูเก่าเพื่อประดิษฐานป้ายวิญญาณของบรรพชนทั้ง4เมื่อครั้งจักรพรรดิเทจูเกายัางทรงพระชนชีพจะเสด็จมาประกอบพิธีเส้นไหว้ที่ศาลเจ้าประจำตระกูลแห่งนี้ปีละหลายครั้งพยาคะ่ะ บรรพชนตระกูลชูหรือชูหลิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาหันไปมองหลี่จงแล้วถามว่ามิใช่ว่ามีสารเจ้าบรรพชนอยู่แล้วหรือเหตุใดจึงต้องสร้างสารเจ้าประจําตระกูลแห่งนี้ขึ้นมาอีกจักรพรรดิเ ท, ทจูก็เคยตรัสไว้ว่าการไปสารเจ้าบรรพชนนั่นคือจักรพรรดิแห่งต้าอาวี๋กาลังกราบไหว้บรรพชนหลี่จงครุ่นคิดครู่นหนึ่งก่อนจะก้มหน้าทูลต่อแต่การมากราบไหว้ที่สารเจ้าประจําตระกูลมิใช่ในฐานะจักรพรรดิแห่งต้าอาวี๋แต่เป็นในฐานะลูกหลานตระกูลชู่ ชูหลิงกล่าวประโยคที่หลี่จงไม่กล้าเอ่ยออกมาฝ่าบาททรงพระปรีชายิ่งนักหลี่จงลอบถอนหายใจอย่างโล่งอกรีบประสานมือประจบประแจงทันทีเคลื่อนขบวนไปที่ศาลเจ้าประจําตระกูลชูหลิงยืนเอามือเผลอหลังจ้องมองศาลเจ้าประจําตระกูลท่ามกลางพายุหิมะอยู่นานก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างเนิบนาบ้าเทะว่าคําพูดนี้กลับทําให้สีหน้าของหลายคนเปลี่ยนไปนี่ไม่อยู่ในกําหนดการเสด็จนี่นา การไปกราบไหว้ลงศพหลวงของจักรพรรดิเสวียนจงชุนที่ตำหนักโซ่หงนั้นเป็นความประสงค์ของฮวงเทหโฮและตามธรรมเนียมแล้วก่อนที่ลงศพหลวงจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังสุสานจากันจกรพรรดิจักรพรรดิพระองค์ใหม่ต้องไปกราบไหว้ตามกำหนดเวลาแต่ศาลเจ้าประจําตระกูลแห่งนี้ จะว่าอย่างไรดีละหลังจากจักรพรรดิใท้จูกเกาสวรรคตนอกจากจักรพรรดิเวินให้จงที่เสด็จมาในช่วงปีแรกๆแล้วหลังจากนั้นเนื่องจากติดภารกิจด้านการทหารและการเมืองที่รัตตัวจักรพรรดิเวินให้จงก็ค่อยๆเลิกเสด็จมาส่วนจักรพรรดิเสวียนจงชุนนั้นตั้งแต่สมัยยังเป็นองชายราชทายาทก็ไม่เคยเสด็จมาที่ศาลเจ้าประจำตระกูลเลยเหตุผลง่ายๆคือมีเรื่องมากมายรอให้เขาจัดการและหลังจากขึ้นครองราชตามราช อ, องค์การแล้วก็ยิ่งไม่เคยคิดจะมาที่นี่ หากต้องการกราบไหว้หรือรำลึกถึงบรรพชนก็ไปที่ศาลเจ้าบรรพชนได้ที่นั่นไม่เพียงแต่มีจักรพรรดิเ ท, ทจูกเก่าแต่ยังมีจักรพรรดิเวินเทจงด้วยทว่าในศาลเจ้าประจำตระกูลแห่งนี้กลับไม่มีกฎนี้จักรพรรดิเทจูก็เป็นผู้กําหนดไว้ศาลเจ้าประจำตระกูลจะประดิษฐานเทียงบรรพชนทั้ง4เท่านั้นแม้แต่ตัวพระองค์เองหลังจากสวรรคตแล้วก็ไม่สามารถนําป้ายวิ ญ, ญญาณมาประดิษฐานที่นี่ได้ซึ่งกฎนี้จักรพรรดิเวินเทจงก็มีได้ทรงละเมิดทําไมในฐานะที่ข้าเป็นลูกหลานตระกูลฉู การจะไปกราบไหว้บรรพชนที่ศาลเจ้าประจำตระกูลก็ยังทำไม่ได้อย่างนั้นหรือชูหลิงสังเกตเห็นความผิดปกติจึงปลายตามองไปรอบๆแล้วเอ่ยกับหลี่จงคำพูดนี้ดูเหมือนจะพูดกับหลี่จงแต่ความจริงแล้วเขากำลังพูดให้ทุกคนได้ยินเบาไม่กล้าพยักค่ะหลี่จงรีบคุกเข่าลงกับพื้นคนอื่นๆเห็นดังนั้นก็พากันคุกเข่าลงตามไปด้วยถ้าอย่างนั้นก็เคลื่อนขบวนได้ ชูหลิงแค่นเสียงยินชาก่อนจะหันหลังเดินกลับไปยิงเกี้ยวหลวงเขาไม่อยากอยู่ในตำหนักต้าซิงที่น่าอึดอัดนั่นแม่แต่วินาทีเดียวแทนที่จะกลับไปที่นั่นเดินเกินไปสู้ไปเดินดูสารเจ้าประจําตระกูลเสียยิ่งดีกว่าการกราบไหว้บรรภชนอาจไม่ใช่จุดประสงค์หลักแต่การฆ่าวเวลาต่างหากที่เป็นเรื่องจริงการต้องอุดอู้อยู่ในที่เดิมนานๆคนเราย่อมมีวันเสียสติเข้าสักวันชูหลิงไม่อยากให้ตัวเองต้องเป็นเช่นนั้น เมื่อชูหลิงประทับบนเกี้ยวหลวงเรียบร้อยแล้วขบวนเสด็จก็มุ่งหน้าไปยังสารเจ้าประจำประกูลท่ามกลางพายุหิมะมีเงาร่างสองสามสายรีบเร่งจับไปอย่างรวดเร็วซึ่งชูหลิงไม่ได้สังเกตเห็นและเขาก็ไม่ได้อยากจะสังเกตเห็นมันด้วย